วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการญาติโยมเลยได้มีโอกาสมาทำบุญกันการทำบุญนี้มีความสำคัญต่อจิตใจของพวกเราเพราะตัวเรานี่อยู่ที่จิตใจตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย การทำบุญนี้ทำเพื่อจิตใจไม่ได้ทำเพื่อร่างกายจิตใจของเราต้องการบุญเพราะบุญเป็นเหมือนอาหารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจถ้าใจมีบุญใจก็จะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ดูแลรักษาใจ ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขให้มีการพัฒนาให้ขึ้นไปสู่ที่สูงขึ้นไปตามลำดับจิตใจของคนนี้มีการแบ่งระดับกันไว้อยู่สองระดับใหญ่ๆคือสุขคติกับทุกคติสุขคติก็คือ ใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยบุญด้วยกุศลก็จะอยู่ในสุขติอยู่ในระดับของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของพระอริยบุคคลถ้าใจไม่ได้มีบุญไม่มีกุศลทำแต่บาปแต่กรรมก็จะอยู่ใน ทุพคติหรือที่เราเรียกว่าอบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกนี่คือความเป็นไปของจิตแต่ละดวงที่เป็นไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้กัน ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาชี้แจงมาอธิบายพวกเราจะไม่รู้จักจิตใจของพวกเราและจะไม่รู้เรื่องของภพภูมิต่างๆที่จิตใจของพวกเราจะต้องไปรับผลกันเราก็จะถูกความหลงหลอกให้คิดว่าเราเป็นร่างกาย เมื่อเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เมื่อไปถึงความตายแล้วก็บทสภาพไปสิ่งต่างๆที่ได้ทำมาก่อนตายก็จะไม่มีผลต่อร่างกายที่ตายไปแล้วเช่นเวลาเราไปทำผิดกฎหมายถ้าเราตายไปก่อนที่ถูกตารวจเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมือง จับไปลงโทษเขาก็จะไม่มาจับไปลงโทษหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไปช่อกงเราไปทำอะไรไม่ดีต่างๆพอเราพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่มีผลตามมาถ้าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะไม่เห็นความสำคัญของการทำบุญ ไม่เห็นการความสำคัญของการไม่ทาบาปไม่เห็นความสำคัญในการตัดความโลภความโกรธความหลงเพราะเราเห็นว่ามันไม่มีผลอะไรกับเราเพราะว่าเวลาที่เราตายไปแล้วมันทุกอย่างก็จบไปจะมีผลก็เฉพาะเวลาที่เรายังไม่ตายกัน <c oughs> เช่นเราไปทำผิดกฎหมาย เราก็จะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปหรือเราไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะมาทำร้ายเราแต่พอเราตายไปเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราอีกต่อไปนี่คือความเห็นของผู้ที่ไม่มีศาสนาผู้ที่ไม่เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่เชื่อเรื่องบุญและเรื่องผลของบุญจะไม่เชื่อเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องผลของบาปที่ยังมีตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวเราที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจใจที่ไม่มีวันตายใจนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของใจได้ทั้งๆ ท, ที่เรากำลังใช้ใจทำอะไรต่างๆตลอดเวลาแต่เราก็ไม่คิดว่าเป็นใจเราคิดว่าเป็นร่างกายเราคิดว่าความคิดของเราอยู่ที่สมองคิดว่าสมองนี้สั่งให้ร่างกายคิด สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆไม่เคยรู้ว่าความจริงแล้วสมองนี้ไม่สามารถคิดได้สมองนี้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้เสียงที่กําลังได้ยินนี้อยู่ได้ผู้ที่รับรู้เสียงนี้แหละคือจิตใจร่างกายเป็นเพียงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงนี้ไปสู่จิตใจอีกทอดหนึ่ง เหมือนกับไมโครโฟนที่ถ่ายทอดเสียงไปสู่เครื่องขยายเสียงแล้วก็กระจายออกไปทางอากาศทำให้พวกเราที่นั่งอยู่ไกลๆสามารถได้ยินเสียงนี้ได้ร่างกายนี้ก็เป็นที่รับเสียงสิ่งที่รับเสียงก็คือหูหูสองหูนี้ถ้าหูหนวก เราก็จะไม่สามารถได้ยินเสียงแต่น่างกายนี้ไม่รู้เสียงไม่รู้จักเสียงผู้ที่รู้จักเสียงนี้คือจิตใจเพราะหลังจากที่เสียงเข้าไปในหูแล้วก็จะมีวิญญาณที่ทําหน้าที่รับเสียงไปให้กับผู้รู้คือใจอีกทีหนึ่ง นอกจากวิญญาณที่รับรู้เสียงแล้วก็ยังมีสัญญาผู้ที่มาแปลความหมายของเสียงนั้นว่าเสียงนี้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะเสียงแต่ละเสียงนี้จะมีความหมายภาษาที่เราพูดกันนี้คำแต่ละคำมีคำหมายและเรามาเรียนรู้กันตอนที่เราตอนเป็นเด็กๆ ตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเวลาเราได้ยินเสียงของพ่อของแม่พูดอะไรเราก็จดจำเอาไว้การจดจานี้ก็เรียกว่าสัญญาพอเราได้ยินเสียงพ่อแม่พูดคำนั้นคำนี้เราก็จำความหมายได้แล้วเราก็มีความรู้สึกต่อความหมายของเสียงนั้นเช่นเวลาเสียงที่พ่อแม่พูด ให้ความรักความเมตตาเราก็จะรู้สึกมีความสุขถ้าเวลาเสียงของพ่อแม่ให้คาดุด่าว่ากล่าวติเตียนเราก็จะมีความรู้สึกไม่ดีนี่คือการทำงานของใจอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำงานของร่างกายร่างกายเพียงแต่รับเสียงเข้าไปในหูแล้วก็ในหูนี้จะมี วิญญาณมารับเสียงนี้ไปแปลความหมายอีกทีถ้าเป็นเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเป็นเสียงที่เราไม่ได้ศึกษามาก่อนเช่นเสียงจั ก, กรจันที่กาลังร้องอยู่ตอนนี้เราก็จะไม่รู้ความหมายของเสียงก็ อ, งอาจกาลังชมเราก็ได้หรือเขากาลังด่าเราก็ได้แต่เมื่อเราไม่รู้ความหมายของเสียง เราก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรกับเสียงนั้นเก่งแต่อาจจะรมคาญเพราะเราอาจจะไม่ชอบเสียงดังๆพอได้ยินเสียงอย่างนี้เราก็อาจจะเกิดความรำคาญขึ้นมาได้ความรำคาญนี้ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งคือเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อใจใจไม่ชอบเสียงอย่างนี้ก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกไม่ดีตามมา พอเรามีความรู้สึกไม่ดีเราก็จะมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาว่าควรจะทำไงกับเสียงนี้ถ้าเราปิดมันได้เราหยุดมันได้เราก็จะไปปิดมันถ้าเราปิดมันไม่ได้เราก็มีสองทางเลือกเดินหนีไปเสียไปอยู่ไกลๆอยากเพื่อจะได้ไม่ได้ยินเสียงนี้หรือถ้าเราไปไม่ได้เราก็ต้องทำใจ เฉยๆยอมอยู่กับเสียงนั้นไปถ้าเราทําใจได้เราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบายถ้าเราทําใจไม่ได้เราก็จะวุ่นป่วนอยู่ภายในใจอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้มันเงียบมันยิ่งอยากให้มันเงียบมันไม่เงียบก็ยิ่งเครียดขึ้นมาใหญ่นี่เกิดเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายใจเป็นผู้ที่รับรู้เสียง แล้วก็แปลความหมายของเสียงนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกดีหรือไม่ดีกับเสียงนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกดีไม่ดีก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งกับเสียงนั้นว่าควรจะทำอย่างไรกับเสียงนั้นนี่แหละคือเรื่องของใจที่ทำให้ใจไปทำดีหรือไม่ดีขึ้นมาถ้าไม่มีใครสอนก็อาจจะไปฆ่าเสียงนี้ก็ได้เพื่อให้มันเงียบ เพราะไม่รู้ว่าการฆ่านี้เป็นการกระทาที่มีผลเสียต่อใจต่อไปเพราะการฆ่านี้จะทำให้ใจออตกต่ำลงจากถ้าเป็นมนุษย์อยู่นี้ก็จะตกต่ำลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานการทําบาปไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้จิตใจนั้นเสื่อมลงไปจากสภาพของความเป็นมนุษย์ เพราะคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ก็คือการไม่ทำบาปมนุษย์นี้จะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ก็คือมีศีลห้าไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาเป็นต้นนี่นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์พวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่า เราไม่ได้ทำบาปกันหรือบาปที่เราทำนั้นเราได้ไปใช้บาปหมดแล้วพอบาปนั้นหมดแล้วเราก็กลับมาคืนสู่สภาพของเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเรากลับไปทำบาปใหม่เราก็กลับไปสู่สภาพของเดรัจฉานใหม่ของเปรตใหม่ของสูรกายใหม่หรือของสัตว์นรกขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่ามันมีน้ำหนักมีความรุนแรง ขนาดไหนถ้าหนักมากก็ไปนรกถ้าเบาก็เป็นเดรัจฉานถ้าปานกลางก็เป็นเปรตเป็นอาสุรกายนี่คือเรื่องของจิตใจที่จะขึ้นขึ้นลงลงในภพชาติต่างๆ ต, ตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าไม่ได้ทําบาปทําแต่บุญอย่างพวกเราวันนี้ไม่ได้ทําบาป เรามาทำบุญด้วยการให้ทานบุญนี้ก็จะส่งให้ใจเราสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะเป็นเทวดาเทวดาก็มีหลายขั้นอยู่กับการทำบุญว่าทำมากทำน้อยทำมากก็จะเป็นเทวดาที่สูงขึ้นไปมากทำน้อยก็เป็นเทวดาขั้นต่ำเทวดาก็มีหลายขั้นด้วยกัน เราบุญที่เราทำก็มากน้อยต่างกันผลจึงมีความมากน้อยต่างกันไปเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเรียนสูงเราก็จะได้รับป ร, ริญญาสูงถ้าเราเรียนน้อยเรียนไม่สูงเราก็จะไม่ได้รับป ร, ริญญาบางคนเรียนจบป .4 ก็ออกจากโรงเรียนไปไม่เรียนต่อก็เหมือนการทำบุญ เราทำบุญปีละครั้งกับคนที่ทำบุญปีละสิบสองครั้งนี่มันก็ต่างกันคนที่ทำบุญปีละร2อยยี่สิบครั้งก็ต่างกับคนที่ทำบุญปีละสิบสองครั้งมันมีน้ำหนักไม่เท่ากันเทวดาจึงมีหลายระดับด้วยกันเทวดาก็คือผู้ที่เป็นเทวดาก็คือมีคุณสมบัติอยู่สองอย่างคือรักษาศีลห้าได้ แล้วก็ทำบุญอยู่เป็นประจำมากหรือน้อยแล้วแต่กำลังศรัทธาความเชื่อถ้ารักษาเพียงแต่ศีลห้าไม่ทำบาปแต่ไม่ทำบุญก็จะได้เป็นเพียงมนุษย์ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าทำบุญและรักษาศีลห้าตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ก่อน เที่ยวในสวรรค์ดีกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะมาเกิดเป็นคนยากคนจนไม่ได้ไปเที่ยวไหนเกิดมาปั๊บก็ต้องไปทไําไล่ไถนาแต่ถ้าทําบุญทําทานนี้ไว้เวลาตายไปได้ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของคนรวยคนมีฐานะมีเงนินมีทอง เกิดมาก็ไม่ต้องลําบากเกิดมาก็ได้เที่ยวต่อเลยเพราะมีเงินเที่ยวพ่อแม่จะพาท่องเที่ยวพ่อแม่ไปไหนก็จะพาลูกๆไปด้วยนี่คืออานิสงส์ของการทำทำทานและการรักษาศีลห้าจะทําให้เวลาจิตใจตายร่างกายตายไปแล้วจิตใจจะได้ไปเป็นเทวดาขั้นต่างๆ แล้วถ้าทำบุญเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งคือฝึกนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบเช่นการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเช้าเย็นอะไรอย่างนี้เป็นการทำบุญอีกระดับหนึ่งเรียกว่าทำบุญเพื่อเข้าสู่พรหมโลกผู้ที่จะเข้าสู่พรหมโลกได้จะต้องทำใจให้สงบได้ สวรรค์ชั้นพรมโลกนี้สูงกว่าดีกว่าสวรรค์ชั้นเทวโลกเพราะว่าสวรรค์ชั้นความสุกระดับเทวโลกกับความสุกระดับพรมโลกนี้ต่างกันมากคนละระดับกันถ้าเป็นแบงก์ก็เหมือนกับแบงก์ร้อยกับแบงก์ห้าร้อยหรือแบงก์พันมีคุณค่าต่างกันมากถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าระดับของเทวดาก็ต้อง หัดทาใจให้สงบฝึกนั่งสมาธิการที่จะทาใจให้สงบก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งนี้จะทําให้ใจไม่สงบใจไม่สงบใจก็จะไม่ได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลก ถตาผู้ที่ต้องการที่อยากจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกก็ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดนี้จะช่วยสนับสนุนในการทําใจให้สงบถ้าศีลห้านี้จะไม่ได้ช่วยสนับสนุนศีลห้าจะไม่ได้สนับสนุนให้ใจได้มาไหว้พระสวนมนต์เพราะจะไปเที่ยวกันถ้าถือศีลห้านี้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้ ไปกินเลี้ยงกันได้ตอนค่ำตอนคืนไปกินเลี้ยงไปดูภา พ, พ ย, ายนตร์ไปเที่ยวตามโรงละครตามสถานบันเทิงต่างๆได้ไม่ผิดศีลห้าศีลห้าไม่ได้ห้ามแต่ถ้าไปเที่ยวอย่างนี้ก็จะไม่มีเวลามานั่งทาใจให้สงบไม่มีเวลามาฝึกสมาธิมาเจริญสติไม่มีเวลามาควบคุมใจใจจะไหลไปกับ แสงสีเสียงที่ได้มาเสพได้มาสัมผัสนะก็จะเพลิดเพลินมีความสุขกับแสงสีเสียงแต่มันเป็นความสุขที่สั้นกว่าความสุขที่จะได้รับจากการทำใจให้สงบเวลาเราได้ไปเที่ยวกันเราก็มีความสุขพอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนั้นก็หายไปแล้วก็จะทำให้เราอยากไปเที่ยวใหม่ แล้วถ้าเราไม่ได้ไปเราก็จะเสียใจวันไหนที่อยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปไม่มีเงินหรือไม่สบายอยู่ต้องอยู่บ้านก็จะมีความเหงามีความว้าเหวแทนที่จะมีความสุขกลับไม่มีความสุขเพราะเราไม่สามารถออกไปเที่ยวได้ตามความอยากของเราแต่ถ้าเราฝึกทําใจให้สงบได้ เราไม่ต้องไปเที่ยวก็ไดเราอยู่บ้านได้เรานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆนี่คือคุณคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันการหาความสุขจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ยาวนานกว่า และจะว่า ง, ง่ายกว่าก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องใช้อร่อยมากเหมือนกับการหาความสุขในระดับของของเทวดาจะระดับของเทวดาก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสในแสงมีเสียงมีสีให้เราดูให้เราสัมผัสเราถึงจะมีความสุขถ้าเราดูของจำเจซ้ำซากเราก็จะเบื่อ แช่นถ้ให้ดูหนังเรื่องเดียวกันสักสิบครั้งนี่ต่อไปก็ไม่อยากจะดูดูแล้วมันก็เบื่อต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆต้องไปหาหนังใหม่เรื่องใหม่มาดูอยู่เรื่อยๆไม่งั้นจะไม่มีความสุขนี่คือเงื่อนไขของการมีความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑใหม่ๆแปลกๆมาให้ดูให้สัมผัสอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุข ถ้าต้องสัมผัสแบบของเก่าๆซ้ำซากก็จะเบื่อถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ดีวิเศษขนาดไหนก็ตามเช่นอาหารอาหารจานโปรดที่เราชอบรับประทานถ้าเราต้องกินจานโปรดนี้ทุกวันวันละ3ามเวลานี่จะดูซิว่าจะกินได้สักกี่วันไม่นานมันก็ต้องเบื่อเพราะมันจำเจมันชินชามันไม่ได้ให้ความรู้สึก สนุกสนานหรือมีความเปิบเปรติมีความยินดีแต่อย่างใดนี่คือเงื่อนไขของการหาความสุขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุขระดับของเทวดาแต่เงื่อนไขของการหาความสุขระดับพรมมโลกระดับสมาธินี้ไม่ต้องมีอะไรมากขอให้มีที่ว่างๆสงบสงบไม่มีเสียงไม่มีใครมารบ ก, กวนและให้มีสติ สามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือไปงานเลี้ยงไปทำอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกเิื้อง่าย นี่คือความสุขระดับที่สูงขึ้นนะ่าจะอยู่ติดกับใจไปนานกว่าออกจากสมาธิมาความสุขนี้ก็ยังมีอยู่แล้ก็จะค่อยๆจางหายไปแต่เราถ้าเราต้องการเราก็สามารถกลับเข้าไปนั่งสมาธิหน่อยได้เข้าไปได้ตลอดเวลาไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่เหมือนกับการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต้องรอเวลาให้สถานบันเทิงเขาเปิดถึงจะไปได้ สมมุติตอนเช้าเราอยากจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงก็ยังไม่เปิดเราก็จะไปไม่ได้เราก็ต้องรอเวลาให้เขาเปิดก่อนแต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปสู่ความสุขในระดับสมาธินี้เราเข้าได้ตลอดเวลาพอเราออกจากสมาธิมาแล้วเผลอปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราก็สามารถหลบนีความวุ่นวายใจนี้ได้ เข้าไปในสมาธิพอเข้าไปในสมาธิทุกอย่างก็เรื่องราวต่างๆเรื่องวุ่นวายต่างๆก็หายไปหมดถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หายมันอยู่ข้างนอกแต่ภายในใจนี้มันหายไปหมดเรื่องวุ่นวายต่างๆนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าใจของเราจะไปเอาเข้ามาสู่ใจเราหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราไม่เอาเข้ามาสู่ใจใจเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องวุ่นวายต่างๆ อันนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆมากน้อยเพียงายก็ตามเราไม่ต้องเอาเข้ามาในใจเราได้เรามีวิธีปิดกั้นได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิอันนี้คือความสุขระดับที่สูงกว่าระดับของการทำบุญทำทาน อยากจะได้ความสุขที่สูงกว่า น, นี้ก็ต้องอยู่บ้านหรืออยู่วัดไม่ต้องออกนอกบ้านนอกวัดไม่ต้องไปออกออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการที่จะไม่ออกไปได้ก็ต้องถือศีลแปดกันถ้าถือศีลแปดแล้วมันก็จะออกไปไม่ได้ไม่ให้แต่งตัวนี่ก็ไม่อยากจะออกไปนอกบ้านแล้วให้นุ่งขาวห่มขาว ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องทําทําผมทําอะไรใครเขาส่งบัตรเชิญมาไปกินงานกินเลี้ยงก็ไม่อยากจะไปถ้าไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งไม่ได้เสริมสวยความงามก่อนนี่ก็คือข้อห้ามของศีลแปดห้ามไม่ให้เสริมความงามห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายงานเลี้ยงก็ไปไม่ได้เพราะ เราส่วนใหญ่งานเลี้ยงก็จะเลี้ยงตอนก่างคืนกันตอนเย็นกันเราถือศีลแปดเราก็กินข้าวเย็นไม่ได้ก็ไปไม่ได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปดช่วยป้องกันไม่ให้ใจเราต้องไหลไปสู่ความสุขของระดับเทวเทวดานั่นเองแล้วก็ทำให้เรามีเวลามาทำใจให้สงบ ในเมื่อเราไม่ต้องไปกินเลี้ยงไม่ต้องไปงานมหรสบการงานบันเทิงเราก็จะมีเวลาอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดได้พอเรามีเวลาเราก็จะได้เจริญสติกันได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเดินจงกรมไปสลับกับการนั่งสมาธิไปถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องสติก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ พอ เ, เข้าสู่ความสงบเราก็ได้เข้าสู่ความสุขระดัระดับพรหมโลกระดับของพรหมถ้าเราต้องตายไปในตอนนั้นเราก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกเลยนี่คือเรื่องของบุญที่สูงขึ้นไปตามลําดับและมีคุณมีคุณค่าราคาที่มากขึ้นไปตามลําดับและยังมีขั้นต่อไปอีก ถ้าเราอยากจะให้บุญระดับพรหมโลกนี้เป็นบุญที่ถาวรไม่ว่าเราจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิเราก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสงบเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วสมาธินี้เวลาอยู่ในสมาธิไม่มีอะไรจะมาทำลายความสงบความสุขนี้ได้แต่พอออกจากสมาธิมานี้จะมี ตัวที่จะมาทำลายความสุขแล้วตัวที่จะมาทำลายความสุขก็คือความอยากต่างๆความอยากที่จะกลับไปหาความสุขระดับเทวดานั่นเองพอนั่งสมาธิออกมาปั๊บเกิดหิวน้ำอยากจะดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มแล้วถ้าปล่อยให้ไปดื่มเหมือนก็จะไปหาความสุขระดับต่ำแล้วก็จะไปติดกับความสุขระดับต่ำแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่ความสุขระดับพรมยากเข้าไปไม่ได้ ถ้าไม่อยากจะกลับไปสู่ความสุขระดับต่ำก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นการเดินถอยหลังการที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเช่นไปดื่มเครื่องดื่มที่มีรสมีสีสันที่ถูกอกถูกใจเราถ้าเราต้องการจะดื่มเพื่อร่างกายเราก็ดื่มน้ำเปล่าไปก็ได้ ถ้าดื่มน้ําเปล่านี้จะไม่เป็นการเดินถอยหลังลงไปสู่ความสุขระดับเทวดาเพราะเราดื่มเพื่อร่างกายเราไม่ได้ดื่มเพื่อจิตใจถ้าเราดื่มเพื่อจิตใจเราก็จะเลื่อนจิตใจเราลงจากสวรรค์ชั้นพรมกลับลงไปสู่สวรรค์ชั้นชั้นเทวดาแต่ถ้าเราอยากจะเลื่อน จิตใจของเราให้ขึ้นไปเหนือสวรรค์ชั้นผมไปสู่สวรรค์ชั้นอริยะเจ้าเราก็ต้องฝืนความอยากต่างๆอยากดื่มกาแฟาก็ไม่ดื่มถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มแต่น้ำเปล่าๆดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้ดื่มเพื่อตัญหาความอยากการดื่มหรือการรับประทานอะไรเพื่อให้เกิดความสุขทางใจนี้เรียกว่าเป็นการทำตามตัญหาความอยาก กามัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะพอกลับไปเสพสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเลื่อนระดับลงมาสู่ระดับเทวดาแต่ถ้าเราไม่อยากจะเลื่อนระดับลงมาเราอยากจะเลื่อนระดับสูงขึ้นไปเราก็ต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาสอนใจว่าการเสพความสุขผ่านทางตาหูจมูกลื่นกายนี้ เป็นความทุกข์เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วจะไม่สามารถเสพได้เพราะร่างกายนี้มันจะต้องแก่ลงไปไเรื่อยๆต่อไปหูก็หนวกตาก็จะบอดต่อไปก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตาหูจะบกนั่นกายได้แล้วเราจะไปหาความสุขอะไรถ้าไม่มีความสุขเราก็จะมีความหิวโหวยใจก็เลยจะกลายเป็นเปรตไป ใจที่มีความหิวโหวยและไม่สามารถเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้แล้วก็ไปทำบาปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อที่จะได้เสพแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปก็ยังไม่ได้เป็นเปรดแต่มันจะหิวโหวยมันจะมันจะทุกข์มันเหมือนกับไม่ได้มีอาหารรับประทานแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่หิวโหวย แล้วถ้าเราหยุดความอยากได้ควา ม, มอยากมันก็จะไม่มาสร้างความหิวโหยให้กับใจเราอีกต่อไปใจของเราก็จะมีแต่ความสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะสงบเสมอความสงบของใจนี่แหละที่พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง นัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบและไม่มีความสุขอันใดที่จะถาวรยิ่งกว่าความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานก็คือความสุขที่เกิดจากการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี้เองกำจัดกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้า กำจัดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่าอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากให้คนรักคนชอบเราอยากให้คนสรรเสริญยกย่องเยืนยอเราเป็นความอยากที่จะทำให้ใจต้องวุ่นวายเช่นเดียวกับความอยากไม่ให้คนเขาด่าเราอยากให้คนอยากไม่จนอยากไม่เจ็บอยากไม่แก่อยากไม่ตาย อยากไม่พัดพากจากของที่เรารักเราชอบถ้าเกิดความอยากเหล่านี้ก็จะทําให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สงบความอยากนี้จะมาทําลายความสงบที่เราสร้างจะสร้างขึ้นมาด้วยสมาธิถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ไปได้ความสงบที่เราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ไปตลอดกลายเป็นพระนิพพานไปนี่คือเรื่องของการ พัฒนาจิตใจด้วยการกระทาที่เรียกว่าบุญกุศลถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมพระสงฆ์พวกเราจะไม่รู้จักเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไปหลงอยู่กับการดูแลรักษาร่างกายของเราหาความสุขให้กับร่างกายของเราไปแล้วก็ไม่สนใจว่าจะต้องทำบุญหรือทำบา ขอให้เรารักษาร่างกายของเราให้สามารถหาความสุขต่างๆที่เราต้องการได้้เราก็ทําไปหาเงินหาทองก็ไม่สนใจว่าจะต้องทําบาปหรือไม่ทําบาปขอให้ไดเงินทองมาเยอะๆขอให้มีตําแหน่งสูงๆขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะเวลาเป็นใหญ่เป็นโตมีอํำนาจสามารถสั่งเอานูน่นเอานี่ได้ง่ายอยากจะได้อะไรก็สั่งให้เขาเอามาให้เราได้ มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอเวลาตายไปแล้วความสุขต่างๆที่ได้จากการดูแลรักษาร่างกายนี้มันก็จะหมดสภาพไปแล้วใจก็ต้องไปรับผลบาปที่ทําไว้ต่อไปแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วรู้จักว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกาย เราไม่ควรที่จะไปสนใจกับการดูแลรักษาร่างกายเนะะื้อหาความสุขผ่านทางร่างกายมากจนเกินไปพอให้มินพอให้ร่างกายมันอยู่ได้เป็นปกติสุขก็พอแล้วพอให้ร่างกายมีปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มมีอาหารไม่รับประฐานแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องให้มัน มีมากมายและไม่ต้องวิจิตพิสดารมันก็จะอยู่ได้เป็นปกติสุขเหมือนกันกินอาหารมื้อละร้อยกับมื้อละพันมันก็อิ่มเหมือนกันเวลาถ่ายออกมามันก็เป็นอุจจาระเหมือนกันอุดแพงต่างกาันตรงราคาอุจจาระราคาพันกับอุจจาระราคาร้อยเท่านั้นเองเราอยากจะซื้ออุจจาระราคาแพงแล้วก็กินอาหารแพง แล้วอยากจะซื้ออุจจาราคาถูกเราก็ซื้อเราก็กินอาหารถูกมันก็เหมือนกันผลก็คือร่างกายก็อยู่ได้เหมือนกันแต่กินของแพงก็ต้องเหนื่อยต้องหาเงินมากหน่อยกินของถูกก็เหนื่อยน้อยหน่อยไม่ต้องหาเงินมากหาเงินมากถ้าหาหายากก็อาจจะไปทําบาปก็ได้แต่หาเงินน้อยนีย่หาง่ายกว่าหาเงินมากไม่ต้องทําบาปก็ได้ ไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปรับผลบาปที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับจากพระพุทธศาสนาได้รู้เรื่องจากชีวิตของเราอย่างแท้จริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายชีวิตของเราไม่ได้จบที่การสิ้นสุดของร่างกายชีวิตของเราดาเนินต่อไปในโลกทิพย์เวลาเราตายไปแล้วเนี่ยใจของเราก็ ไปดำเนินชีวิตต่อในโลกทิพย์ถ้าไปเป็นเทวดาก็อยู่ในโลกทิพย์เป็นพรหมก็อยู่ในโลกทิพย์เป็นพระพระอริยเจ้าก็อยู่ในโลกทิพย์เป็นเปรตเป็นอะไรก็อยู่ในโลกทิพย์มีมนุษย์กับเดราฉาน่านั้นที่มีร่างกายอยู่ในโลกกระ t นี้ดังนั้นขอให้พวกเราให้ความสําคัญต่อการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆ เพราะเราจะได้รับประโยชน์ที่เราไม่จะไม่มีวันได้รับประโยชน์จากความรู้ต่างๆในโลกนี้ความรู้ต่างๆในโลกนี้จะไม่รู้เรื่องของจิตใจของเราจะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่รู้เรื่องของนรกสวรรค์จะไม่รู้เรื่องของมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรต้องอาศัยความรู้ของต่างพระพุทธศาสนาเท่านั้นและ ถ้ารู้แล้วก็จะทําให้เราปฏิบัติดําเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องทําให้เกิดแต่ประโยชน์สู่กับจิตใจของเราเพียงถ่ายเดียวคือพาให้เราได้ไปดุดพ้นสู่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดหนักเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดําเนินได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ในสวรรค์ชั้นนิพพาน ที่มีแต่บรมมมสุดไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้รนยะถ า, าวาริวหาปุราปาริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติ อิจิตังปะติต um ังตุมหังคิป้เมวะสัมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติอาราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาบาโยสุขีทีคายุโกภวะ อาภิวาทะนัสีลิษะลิจังวุธาปะจายโนจัตตารธรร ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังพาลังวันนี้ไม่ได้ไปตีเขา่ไหมใช่ค่ะสู้ารฆ่าสูการ่าเป็นฆ่าใช่ไมเป็นมาค่ะ ถ้าเราคิดว่าเราเห็นหน้าเขาแล้วเราเฉยได้เราแผ่เมตตาให้ก็ได้แล้ว เ, เข้าไปถ้าเรายัางเฉยไม่ได้ยังแผ่เมตตาไม่ได้เห็นแล้วเกิดอารมณ์เกลียดขึ้นมาก็อยากพุ่งไปยากทางกันไว้ก่อนดีป่ะกลับไปฝึกวิชาให้มันมีแรงก่อนมีกําลังก่อนพอเรามีกําลังแล้วเราจะไปเจอเขาก็เราก็ ถอทุกวันนี้เจอเขาเราก็วางได้เยอะค่ะแต่ตอนนี้เราก็ ไ, ไปปฏิบัติทางเขาเลยว่าเราจะไปดีหรือเราจะหยุดดีอที่อื่นก็มีไปไม่ต้องไปที่เดียวกันก็ได้เมือ <c oughs> งไทยมีวัดที่ปฏิบัต <c oughs> ิเยอะแยถ้าเกิดเราไม่ไปยอมไปเชิญหนนะ้าเราก็จะต้องหลบอยู่ตลอดเนี่ยอ๋อหลบเฉพาะช่วงนี้ทั้นั้นช่วงที่เราไปเสริมสร้างพลัง <c oughs> อพอเรามีพลังแล้วต่อไปไม่ต้องหลบใครตรงนั้น อยู่ที่ไหนอยู่กับใครเจอใครนี้ใจจะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวถ้าเรายังหวั่นไววอยู่ก็อย่าเพิ่งเจอกันดีกว่าพระพุทธเจ้ายังต้องหลบไปอยู่คนเดียวหกปีด้วยกันไปสร้างพลังจิตกันเพราะจิตมีพลังที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วทีนี้ท่านก็ไม่หนีแม้แต่เทวทัตจะมาโปงพระชนาพระชนชีพถึงสามครั้งท่านก็ไม่หนี พระอนุนยังเคยชวนให้พระพุทธเจ้าหนีเลยบอกอยู่ตรงนี้มีแต่เรื่องพระพุทเจ้าบอกแล้วไปข้างหน้ามันจะไม่มีเรื่องนะหนูก็คิดว่าถ้าเกิดว่าหนูไม่ยอมไปเชิญหน้าหนูก็ต้องหลบหลีกตลอดเวลามันก็เลยว่าลองมาฝแบบมาขอคำแนะนำจากระอถ้าเรามีพลังจิตที่จะเผชิญหน้าได้ก็ไม่ต้องหนีแต่ถ้ายังไม่มีแล้ว พอเจอกันแล้วต้องไปทุกตีกันก็อย่าอย่าเพิ่งเจอกันดีกว่าให้ถึงขนาดนั้นก็ค่ะไม่ใช่เรื่องไแรงถึงขนาดนั้นก็ค่เพียงแต่ว่าทําให้จิตใจเราไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่บริสุทธิ์งเงี้ยไอ้นก็คิดว่าถ้าหนุไปเจอทั้งนี้หนุอาจจะทําได้อะไรก็ลองดูก็ดีจพอมันเป็นข้อสอบของเราเราก็คิดถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราน่าจะโอเคได้ใช่ ทุกอย่างเป็นข้อสอบหมดความทุกทุกชนิดนี้เป็นข้อสอบหมดที่เราจะต้องทำให้ได้ถ้าเราทำได้แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับอะไรแล้วความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่ใจเราเองเราไปเกลียดเขาเองเราไปคิดเองถ้าเราไม่เกลียดเขามันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไมพยายามไล่ดูถต่ว่าในในตัวเขามีอะไรที่เราไม่มีบ้าง เราเกลิศผมเขาแล้วเราไม่เกรติผมเราเลย <ứng S 1> ผมเขากับผมเรามันไม่ต่างกันนะ <ứng S 1> เ, เราเกลิศตรงไหนลองไล่ไปดูเลยเกลิที่หนังเขาเลยหนังเขากับหนังเรามันต่างกันตรงไหน อ, อมันก็เป็นหนังเหมือนกันอลองใช้เหตุผลไล่ไปดูแล้วมันก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากเกลิศเขามีอะไรเราก็มีในเมื่อเรารักของเราเราไปเกติของเขาได้อย่างไร ทําใจให้สงบแล้วมันจะไม่มีปฏิกิริยาปัญหาคือใจเราไม่สงบคก็เลยว้าวุ่นเวลาเราคิดจะไปเราไปจะไปเจอเขาเนี่ยเราจะทําแบบไหนแต่ถาม่าเรื่องไรแรงไหมไม่ใช่ค่ะคือมันเหมือนขุ่นใจให้เราไม่สบายใจเฉยๆเราพูดโทรไปได้เรื่อยๆไม่ล่ะถ้าเจอใครก็พูดโทรพูดโทรไปแต่ดูว่าตัวเองดีขึ้นเยอะก็เลยอยากว่าถ้าเราหลบก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหม แต่ถ้าเราลองสู้ดูสู้ทางคำดูเราอาจจะผ่านไปได้ก็ดีถ้าคิดว่าพร้อมก็ลองไปทำข้อสอบดูสอบไม่ผ่านก็มีเวลาคราวหน้าก็สอบใหม่ได้เห <c oughs> มือนเด็กที่เขาสอบเอนทันปีนี้สอบไม่ได้ปีหน้า ก, ก็สอบใหม่ <c oughs> กลับไปทำการบ้านใหม่กลับไปติวใหม่ไปดูดูหนังสือใหม่แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ไปสอบ <c oughs> อเดี๋ยวมันก็ได้เองอ <c oughs> อชนะใจนะไม่ใช่ชนะผู้อื่น เราจะอาบอกว่าชนะตนนี่ดีกว่าชนะผู้อื่นอชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนก็สู้ชนะตนไม่ได้เพราะชนะผู้อื่นก็จะทําให้เกิดความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทตามมาเราไปชนะเขาเขาก็จะเกลียดเราโกรธเราเขาชนะเราเราก็จะไปโกรธไปเกลียดเขาแต่ถ้าเราชนะตัวเราได้ชนะความโกรธในใจของเราได้ทุกอย่างก็จบงั้นข้าศึกศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่คนนั้นนะ รากศึกษาตัวที่แท้จริงคือความโกรธความเกลียดของเราอที่เราต้องพยายามทําลายให้ได้ด้วยความเมตตาให้คิดว่าเขาก็เป็นเราเหมือนเราเกิดมาก็อยากจะมีความสุขแตงแต่ว่ามีความหลกมันหลอกให้ไปหาความสุขในทางที่ผิดเอไปทํำไปทําร้ายผู้อื่นแทนที่จะไปทําให้ผู้อื่นมีความสุขกับไปทําร้ายผู้อื่นก็เลยทําให้ตัวเองต้องทุกข์ไปด้วย ถ้ารู้จักวิธีทําำให้มีความสุขก็คือเราทําความสุขให้แก่ผู้อื่นทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันสิ่งข้าวของที่เรามีให้แก่ผู้อื่นคนที่เราโกรธเราเกลียดเราก็ให้อาภัยเขาไปแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราสุขแล้วทีนี้เราก็อยู่กับเขาได้ให้อาภัยได้ไหมก็ออมตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะแต่ว่า เรายังไม่รู้ว่าเราไปหยุดจุดนั้นอ่ะถ้าเขามาใส่เราอีกเราจะเอาไหวไหมก็เลยว่าก็ลองดูก็ลองลองดูแล้วะถ้าเราเตรียมตัวนี้รับรองทําำน้าผ่านแน่แน่เพอเรารู้เแล้วเนี้ว่ามันมันจะมาอย่างไรตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแล้วมาตอนหลังแต่ใจเราอยากไปถือิึงจุดนั้นอยู่กลัวกลัวเขาจะมาพลิกแพงอย่างรูปแบบหนึ่งเราเตรียมรับท่านี้เข้ามาท่านเขาพลิกแพงมาเราก็ถอยตั้งหลักก่น มันก็ไเด็นักเรียนพยายามเตรียมทำข้อสอบข้อนี้อ า, อ, อ, อาจารย์ไม่ อ, ออก อ, อีกข้อเข้าใจแล้วนะปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะอยู่ที่เราอยู่ที่ความความอยากของเราทั้งนั้นเองถ้าเราตัดความอยากได้แล้วเราจะอยู่กับใครก็อยู่ได้ ที่เราอยู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นไปตามใจอยากเราก็เลยโกรธเขาเกลียดเขาเลยทำให้เราอยู่กับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเขาจะทำางไงเราก็อยู่กับเขาได้เดี๋ยวปัญหามันได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราเราต้องมาหยุดความอยากให้ได้ต้องมาฝึกทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบเราจะมีกำลังหยุดความอยากได้ ตาใจใจจะสงบต้องมีสติต้องระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นถ้าใจจดจ่ออยู่พุโทโธนี้ใจมันจะนิ่งจะแน่วหน้าอะไรก็จะมาะดึงไปไม่ได้เป็นเหมือนหินห็นนี่ถ้าเป็นหินนี่ต่อให้มีพายุมาพัดมันก็ไม่ขยับ แต่ถ้าเป็นปุยนุ่นนี่ลมพัดมาเบาๆมันก็มันก็ลอยไปล่ะใจที่ไม่มีสมาธินี่เหมือนเหมือนปุยนุ่นเหมือนสัมลีพอลมพอลมพัดมาเบาๆมันก็ลอยไปละใจที่มีสมาธินี้เป็นเหมือนหินใจที่มีสตินี้เป็นเหมือนหินมันจะหนักแน่นจะไม่มีใครที่จะมาเขย่าวขวัญใจได้เังนั้นพยายามฝึกสติให้มากสาคัญมาก ทำทั้งปวงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการมีสติเป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดการหลุดพ้นการทำข้อสอบต่างๆก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามีสติแล้วต่อไปจะทำข้อสอบได้หมดจะอยู่กับใครที่ไหนก็ได้ร่างกายจะเป็นจะตายก็อยู่กับมันได้พยายามฝึกให้มากพระเจ้าสอนให้ฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ทุกเวลานาทีได้ทุกอิเดียบทของการเคลื่อนไหวอย่าอยู่โดยปราศจากสติเป็นอันขาดให้มีสติและเลือกรู้อยู่ในปัจจุบันเสมอให้รู้อยู่กับพุทธโธก็ได้ได้ยอยู่กับการเคลื่อนไหวของการของร่างกายก็ได้ในทุกอิเดียบทเดินก็รู้ว่ากําลังเดินไม่ใช่เดินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ีสแสดงว่าไม่มีสติถ้าเดินต้องอยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวถึงจะเรียกว่ามีสติฝนะึกไป ทำได้ทุกคนถ้าทำแล้วมันก็จะปรากฏผลขึ้นมาถ้าไม่ทำมันก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติแล้วใจก็จะนิ่งจะแน่นจะมั่นคงะจะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆอันนี้ก็ อาจารย์เจ้าขาของโอกาสจากเรียนถามได้ไหอย่างคนบงคนนะเจ้าค่ะถ้าขาเขาเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเขาอ่าจะยังไม่มีอายุเ อ, อแก่เจ้า่ะหรือบาคนก็แก่แล้วปรากฏว่าพอหลังๆก็ไม่สบายก็จะไม่รู้สึกตัวพูด ก, ก็ไม่ได้เจรจาหรืออะไรก็ไม่ได้หมดเลยอย่างนี้เขาจะรู้สติขเขาไหมเจ้าขาแล้วเวลาอาจะสิ้นลม่เขาจะไปดีหรือไม่เจ้าคะ คือจะมีสติแล้วก็กําหนดใจไปได้อย่างไรได้คะคือสติเขานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสติของเขาอยู่ที่ใจยังไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่มาเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสติของเขาถ้าเขามีสติก็ยังจะมีอยู่เหมือนเดิมถ้าเขาไม่มีสติก็ไม่มีอยู่เหมือนเดิม ม, มันไม่ได้เปลี่ยนไปกับสภาพความเป็นไปของร่างกายเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนคนสองคนไม่ได้ไหม สติไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสติอยู่ที่ใจร่างกายตายไปสติก็ยังไม่ตายไปกับร่างกายสติก็ยังอยู่กับใจต่อไประดับสติที่เราสร้างขึ้นมานี้มันจะอยู่กับใจมันไม่ได้อยู่กับร่างกายมันจะขึ้นสูงเลยมันจะลดลงเลยเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนอบรมในการจเจริญและดูแลรักษาสติมันไม่ได้เสื่อมไปตามความเป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะจําอะไรไม่ได้สติก็ยังมีอยู่ ม, มีอยู่เท่าเดิมคือตอนนี้โยมมีสติขนาดไหนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปสติของโย ม, มก็ยังมีอยู่เท่าเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถใช้ร่างกายทําอะไรได้ไดั้ต่างๆได้เพราะร่างกายมันไม่รับคําสั่งจากอยากใจถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายนะ อีนี้เรื่องของความจำนี้ก็มันมีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับร่างกายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับใจใจนี้ท่านก็ว่ามีความจำความจำนี้ก็มีเสื่อมได้เหมือนกัน<ม>จำชื่อคนนั้นจำชื่อคนนี้พอนานๆไม่ได้เจอกันมันก็ลืมได้อั น, นนี้ไม่ใช่เป็นเอาไซเมื่อมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันบ่อยๆเข้ามันก็มันก็ลืมไปเท่านั้นเอง เช่นเราไม่ได้เจอกันนานๆบานงทีจําจําหน้าได้แต่จําชื่อไม่ได้ก็มีอันนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทบทวนชื่ออยู่เรื่อยๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เราเรียกชื่อเขาอยู่เรื่อยๆเราก็จะจําได้พอไม่ได้เจอกันเข้ามันก็จะลืมได้อันนี้มันเรื่องของใจแต่เรื่องของอัลไซเมอร์นี่มันอยู่ที่เรื่องของสมองเรื่องของการทํางานของร่างกาย ที่ไม่สามารถที่จะรักษาข้อมูลที่ได้รับผ่านทางร่างกายได้มันหายไปอันนี้ก็ช่วยไม่ได้หายไปก็หายไปเพราะร่างกายในที่สุดมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีนก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นไปของร่างกาย mm hmm. เราควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ของร่างกายจะดีกว่า พขาเจ้าสอนให้เราคอยเตรียมตัวรับกับความแก่รับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยรับกับความตายเพราะมันเป็นเหมือนข้อสอบถ้าเราไม่ทําการบ้านไว้เวลาเกิดข้อสอบขึ้นมาเราจะทาไม่ได้ข้อสอบก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายแต่ถ้าเราทอยทําการบ้านอยู่เรื่อย คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปร่างกายนี้เขาจะต้องแก่เขาจะต้องเจ็บเขาจะต้องตายแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับเขาเราไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเราอยากไปอยากเท่า น, นั้นเองอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากนี้จะทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากเวลาร่างกายแก่ก็เราก็จะเฉยๆเหมือนตอนนี้ เวลาร่างกายเจ็บใจแล้วก็จะเฉยเฉยตอนนี้เราไม่มีความอยากปัญหาของใจข้อสอบของใจก็คือความอยากกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ถ้าเรารู้ความจริงแล้วรับยอมรับความจริงได้ความอยากมันก็จะหยุดเพราะมันรู้ว่าอยากไปก็ป่วยการเปล่าอยากให้ไม่แก่มันก็แก่อยู่ดี อยากให้ไม่เจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีอยากไม่ให้มันตายมันก็ตายอยู่ดีอยากเราเป็นอย่างทุกข์ไหมถ้าไม่อยากเราเป็นไงสบายปัญญามองร่างกายเราเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้จักเขาแก่เราเดือดร้อนไหม้ขาเจ็บเราเดือดร้อนไหมเขาตายเราเดือดร้อนไหมเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาจะแก่ก็เรื่องของเขาเองนะ เขาจะตายก็เรื่องของเขาแล้วทำไมร่างกายเรามันก็เหมือนกันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันทำไมเราต้องมาเดือดร้อนกับร่างกายของเราก็เพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราควาจริงมันเป็นคนใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบา่าวร่างกายนี้รับใช้เราตลอดเวลาเราคือใจเราผู้คิดผู้รู้เนี่ยคือใจผู้คิดผู้รู้เนี่ยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นเหมือนคนรับใช้เรา แล้วมันก็ต้องหมดอายุของมันไปสักวันหนึ่แล้วก็เปลี่ยนคนใช้ใหม่ท่าเนเองร่างกายนี้ตายไปถ้ายังอยากจะมีคนใช้ใหม่ก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ mm hmm. เกิดใหม่ก็กลับมาทุกข์กับมันใหม่เ mm hmm. พราะมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใหม่อยู่ดีถ้าเบื่อก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเบือ่อเบื่อมีคนใช้เลยใช้ช่วยตัวเองดีกว่า ทำลายด้วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ใช้ร่างกายวิธีไม่ใช้ร่างกายก็คือเข้าไปในสมาธิในสมาธินี้มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการใช้ร่างกายตอนนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใช่ไหมเราอยากจะดูก็ต้องมีตาอยากจะฟังก็ต้องมีหูเราถึงจะมีความสุขได้จากการดูจากการฟัง แต่ถ้าเราเข้าไปในสมาธิได้เราไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูก็ได้นี่แหละคือการเปลี่ยนที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแต่มันเป็นเครื่องมือชั่วคราวที่มันจะต้องมีวันเสื่อมสภาพและหมดไปในที่สุดเวลามันเสื่อมเราก็จะพึ่งมันไม่ได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราพึ่งตัวเราเองพึ่งด้วยการเข้าไปในใจของเราเองเข้าไปในสมาธิ เราก็จะมีความสุขแล้วใจเรานี้จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันตายไม่มีวันจากเอาไปเนี่ยใจของพระเจ้าตอนนี้ก็ยังปรารมสุขขังอยู่ไม่ได้เสือ่อมไม่ได้หายไปไหนเองแต่ท่านไม่ต้องมาหาร่างกายเหมือนไม่ต้องมีร่างกายเหมือนพวกเราเพราะท่านพึ่งตัวเองได้แล้วพึ่งใจของท่านเองหาความสุขภายในใจของท่านได้เป็นความสุขที่ดีเพราะมันถาวรมันไม่มีวันหมด กับไม่เหมือนกับความสุขของทางร่างกายเดี๋ยวแก่ละแก่แล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วจะดูก็ดูไม่รู้เรื่องตาโมวฟังก็ฟังไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้ามีความสุขทางใจไม่เดือดรอ้อนเข้าไปในสมาธิได้ตลอดเวลาเข้าไปในความสงบได้ตลอดเวล า, าถ้าเราเบื่อกับการที่จะต้องมาเปลี่ยนคนใช้อยู่เรื่อยๆก็หัดช่หัดพึ่งตัวเองท่านบอกอัดเนี่ย ให้พึ่งตัวเองอัตาหิอัตาโนนาถุตนที่เป็นที่พึ่งของตนให้หาความสุขในตัวของเราเองอความสุขที่รอเราอยู่นี้ก็คือความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิเองลองทำดูพอได้แล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการการนั่งสมาธินะเจ้าค่ะ นั่งเพื่อนิ่งหรือว่านั่งแล้วเราพิจารณาดูจิตของเราไปด้วยเจ้าคะนั่งในเบื้องต้นให้นั่งเพื่อนิ่งก่อน<ม>ให้จิตสงบให้มีความสุขก่อนเมื่อมีความสุขแล้วขั้นต่อไปก็มาแก้ปัญหาของใจปัญหาของใจก็คือความอยากให้คอยดูว่าเวลาเกิดความอยากเราต้องหาวิธีกาจัดมันให้ได้<ม>สิ่งที่จะกาจัดมันได้ก็คือปัญญาปัญญาคือเหตุผล ความความอยากเกิดจากความหลงเกิดจากอารมณ์เห็นอะไรชอบก็อยากได้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันเป็นโทษกับเราไม่ได้เป็นเป็นคุณกับเราถ้าใช้ปัญญาวิเคราะห์ก็จะเห็นว่ามันเป็นโทษเช่นอยากได้สามีอยากได้ภรรยาเนี้เราก็จะคิดว่ามีความสุขพอได้มาแล้วมันสุขไหมมันสุขสุขดิบๆบใช่ไหมบางทีก็อยากจะเลิกกันไปเลยใช่ไหอนั่นแหละพราะเราไม่วิเคราะห์ก่อน พอเกิดอารมณ์อยากได้ก็เห็นว่ามันดีทันทีแต่ถ้ามาพิจารณาว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะเขาไม่ได้ดีไปตลอดนะวันนี้เขาดีพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ดีก็ได้วันนี้เขาอาจจะอยู่พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่อยู่ก็ได้แต่ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทําให้เราจักจะหวั่นไหวแล้วนี่จักจะไม่มั่นใจแล้วว่าควรจะมีแล้วไม่มีใช่ไหอชู้ไม่มีดีกว่าสู้กลับมาหาความสุขในใจเราดีกว่ามาทําสมาธิดีกว่า ไม่ต้องหาห่วงเพิ่าไม่ต้องหาทุกมาแบกบอย่างนีน้มันก็จะปล่อยวางเนี่ยคือแก้ปัญหาต่างๆที่มีในใจให้ได้หมดไดแต่ก่อนจะทำได้ต้องมีความสงบก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีทางเลือกเนี่ยถ้าเราไม่มีสามีเรายังมีความสงบเป็นทางเลือกได้แต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราไม่รู้จะเลือกอะไรถ้าไม่เลือกคนนี้ก็ต้องเลือกอีกคนหนึ่งแล้ <c oughs> ต้องทาสมาธิให้ได้ ถ้ามีสมาธิมีความสุขใจแนละ้วที่นี่ไม่เดือดร้อนแนละ้วแต่ความอยากมันยังไม่ตายมันยังจะโผล่ขึ้นมาได้พอมันโผล่เราต้องใช้เหตุผลสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากทำแล้วจะทุกข์มากกว่าสุขพอเห็นด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราพิจารณาอานาโกติยตา ม, มาเราก็จะเห็นเหตุเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลทันที เรามักจะมองแต่ปัจจุบันเวลาเห็นอะไรใหม่ๆเราจะชอบทันทีเราจะคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแต่เราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีวันเปลี่ยนแปลงไปต้องเสื่อมลงไปพอมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันก็ไม่ไม่สุขแล้วเนี่ยต้องมองอนาคตของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาว่าในที่สุดเขาจะต้องเสื่อมต้องหมดไป ย, งไงยังไงก็ต้องกลับมาอยู่คนเดียวอยู่ดี เดี๋ยวสามีก็ต้องจากเราไปหรือภรรยาก็ต้องจากเราไปแล้วเราจะอยู่กับใครเราแก่เราไปหาสามีใหม่ได้เยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเรามีความสุขใจเราก็ไม่เดือดร้อนนั้นหัดทาหัดสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนให้มีความสุขให้มีทางเลือกก่อนเมื่อเรามีทางเลือกว่าทีนี้ เราก็ใช้เหตุผลพิจารณาอันไหนดีกว่าการชั่นน้ำหนักเอาสามีดีกว่าด้วยความสงบดีกว่าความสงบดีกว่าก็ยกสามีให้คนอื่นไปเลยทยานี้ทั้งนั้นักบวชพระพุทธเจ้าก็ยกภระระยาให้ขา ย, ยาวไปก็ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านเอาความสงบดีกว่าท่านยิงได้เป็นพระพุทธเจ้า ดัะการปฏิบัติเบื้องต้นต้องทําใจให้สงบอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปพิจารณาเพราะว่าเราไม่มีไม่มีฐานที่จะใช้พิจารณาใจเรายังมีอคติอยู่ยังยังมีความลำเอียงไปในทางความอยากอยู่ถ้าไม่มีความสงบแล้วมันจะเลิกความอยากไม่ได้แต่ถ้าใจสงบแล้วมันจะเป็นกลางมันจะไม่ลำเอียงไปทางความอยากหรือไม่อยาก ม, มันจะใช้เหตุผลได้ เหตุผลคือสิ่งที่เราอยากได้มันดีหรือไม่ดีดูมันจริงๆดูว่าเห็นมันชัดๆมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามแค่นี้ดูกมันเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมดูตรงนี้พอเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันต้องเสื่อมก็อย่าไปเอามันดีกว่าก็จบก็กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่า mm hmm. นันากปฏิบัติบางคนปฏิบัติแล้วสับสนเพราะไม่รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติ มันก็เลยปนเปยชนกันไปชนกันมาไม่ได้ผลอะไรสักอย่างความสงบก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้เพราะทําผิดขั้นผิดตอนขั้นที่จะทําทสมาธิก็ไปพิจารณากันพิจารณาแล้วจิตก็เลยฟุ้งซ่านไม่ได้พิจารณาเพื่อดับความทุกข์แต่พิจารณาเพื่อทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมามันก็เลยไม่ปฏิบัติยังไงมันก็ไม่ก้าวหนะ้ามันต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนให้ใจสงบให้มีความสุขก่อน ให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนก่อนเราไปเอาความสุขนี้ไปเปรียบเทียบกับความสุขทางอื่นดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่จากการได้ลาบยศรเสิร์ญได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ทิดาช่างกันด้วยเหตุด้วยผลดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันมันจะเห็นชัดเลยว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบคาพูดของพระเจ้านี้ เป็นความจริงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบขอให้ใจเราสงบแล้วเราจะเข้าใจคําพูดนี้ทันทีถ้าใจเราไม่สงบแล้วมันก็ไม่เข้าใจเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรดังนันต้องพยายามหาความสุขอันนี้ให้เจอก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วประเดียวประดามันก็จะประทับใจอย่างจิตสงบเพียงวินาทีเดียวก็ จะมีความความสุขจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้มาก่อนแล้วก็จะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่พระเจ้าพูดถึงมีเพียงแต่ว่ามันปรากฏเพียงเดี๋ยวเดียวขั้นต่อไปก็คือต้องทาให้มันปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆยาวขึ้นไปเรื่อยๆจนให้มันปรากฏตลอดเวลาให้ได้อันนี้คือเป้าหมายของผู้ปฏิบัติหลังจากที่ได้พบกับความสงบครั้งแรกแล้วจะไม่อยากได้อะไรแล้วทีนี้ อยากจะได้ความสงบอย่างเดียวอยากจะให้มันสงบไปตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยถ้าปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปคือปัญญาก็จะได้ปัญญาหยุดความอยากความอยากเป็นตัวมาทำลายความสงบพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีอะไรมาทำลายความสงบความสงบมันก็จะยาวไปเรื่อยๆไปตลอด วิธีที่จะรู้สติอย่างง่ายเบื้องต้นนี่ทํำยังไงก็ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธถ้าเวลาใดที่ไม่มีพุทโธอยู่ในใจก็แสดงว่าตอนนั้นไม่มีสติแล้วถาพุทโธไปได้ทั้งวันเนี่ยเด่นขึ้นมากับพุทโธพุทโธเดินเข้าห้องน้ำกับพุทโธล้างหน้ากับพุทโธแปรงฟันกับพุทโธทํากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธไปเรื่อยๆถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาหาพุทโธต่อ เอาพุโทโธนี้เป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนใจเลยเป็นเพื่อนคู่ใจไปตลอดเวลาแต่ไม่ใช้พุโทโธก็ได้มันมีหลายอย่างใ ช, ใช้แทนกันได้ทำโมก็ได้สังโฆก็ได้จะสวดมนต์ไปก็ได้หรือจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไปก็ได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้ใจมีสติไม่หลงแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบ ได้ง่ายเวลานั่งสมาธิก็จะพุทธโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเราชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นไม่ต้องใช้สองอย่างควบคู่กันก็ได้บางคนก็้ว่าต้องต้องดูทั้งลมต้องพุทธโธอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสําหรับเราถ้าเรานั่งแล้วมันไม่มันไม่ได้มันรู้สึกอึดอั ด, อดก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแทนก็ได้ บางคนอึดอาจากับการพูดเข้าโทออกก็ดูแต่ลมไปเลยก็ได้รู้ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก <c oughs> เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจไปมีความคิดต่างๆให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวถ้าจะอยู่กับพุทธโก็พุทโทพุทโทไปไม่ต้องสนใจกับเรื่องของลมหายใจก็ได้ท่องแต่คาว่าพุทโทพุทธโทพุทโไปจะช้าบ้างก็ได้จะเร็วบ้างก็ได้แล้วแต่ว่าจิตมัน มันวุ่นหรืไม่วุ่นถ้าวุ่นมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากก็พุโทโธให้มันเร็วขึ้นก็ได้ก็จะได้ดับความคิดต่างๆถ้ามันไม่วุ่นมันไม่คิดมากก็พุโทโธไปเรื่อยๆสบายๆไปก็ได้ถ้าจะใช้พุทโธแต่ถ้าใช้พุทก็ใช้พุทโธกับลมหายใจเข้าออกเวลาจะให้พุโทโธเร็วมันก็เร็วไม่ได้เพราะลมหายใจมันไม่เร็วลมหายใจมันมันเท่าเดิมเ อ, อ ถ้ามีความคิดเข้ามาแทรกเยอะๆมันก็จะนั่งแล้วไม่สงบแต่ถ้าเราใช้พุโทโธอย่างเดียวเวลามีความคิดเยอะๆแล้วก็เอาพุโทโธให้มันถี่ขึ้นให้มันเร็วขึ้นไม่ให้มันมีช่องว่างสำหรับความคิดอื่นเข้ามาอย่างนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเหนื่อยไม่อยากจะพุโทโธก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวก็ได้ให้มีอะไรคอยกากับใจควบคุมใจไว้ ก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วมันจะไม่มารบกวนใจที่แล้วมันมารบกวนใจเพราะเราไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับลมแล้วเราไปอยู่กับความเจ็บแล้วพอไปอยู่ความเจ็บมันก็เกิดความอยากอยากให้หายเจ็บพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาที่ทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่เพราะความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บไม่ไปสนใจความเจ็บอยู่กับพุโทโธความอยากให้มันหายก็จะไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดก็จะนั่งอยู่กับมันได้ใช่เวลาเล่านั่งดูหนังเป็นชั่วโมงเราดูได้เพราะเราไม่ได้ไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายเราสนใจอยู่กับหนังที่เราดูอยู่มันก็เลยไม่เจ็บมันเจ็บก็ทนได้บางทีปวดฉี่ยังไม่รู้ไปพ่าอยากจะดูต่อกลัวมันจะขาดตอน ไม่ ถ, ถ้าถ้าถ้าสับประงให้แสดงว่าหลับอ่าอ่ า, า, าสติแล้วอ่อนเนี่ยมันไม่มีกําลังพอถ้าสงบจริงๆมันก็เหมือนนอนนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเพียงแต่มันจิตมันก็นิ่งไปเฉยๆเท่านั้นเองมันไม่กินก็ถ้าเราสับประห ง, ระงเราก็จะไม่ได้ผลเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ผลแล้วต้องมีมาตรการแก้ปัญหาเรื่องความสบสับประหง ก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็ไปนั่งอยู่ในป่าช้านั่งไปอยู่ที่น่ากลัวมันก็จะไม่สับประโลหะแล้วถ้าไม่กล้าไปที่น่ากลัวก็ต้องอดอาหารเพราะเวลาขิวมันก็ไม่ง่วงเนี่ยเขาึงว่าต้องถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยบกภาวนาให้รับประทานน้อยๆมันจะได้ไม่นุ่ไม่ง่วงและถ้า ง, ง่วงก็ไม่ง่วงนานเช่นกินข้าวอีกใหม่ ๆ, ๆมันก็จะง่วง เพียงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หายไปแล้วแตเดี๋ยวมากินอีกมื้อหนึ่งเดี๋ยวมันก็ง่วงใหม่อีกงนั้นถ้าอยากจะได้ผลจากการภาวนาไม่มีอุปสรรคต้องยอมทุกขทางร่างกายยอมอดอยู่แบบอดอดอยากอยากหรือไปอยู่ในที่หน้าหน้ากลัวเี่ยพระท่านไปชอบไปอยู่ในที่น่ากลัวเพื่อจะได้แก้ปัญหาเรื่องของความง่วงบางท่านนี่ท่านบอกวท่านต้องไปน้่งที่ปากเขวเลย ถ้าสับสงกมันจะได้ที่มลงไปในเหวพอมันจะรู้ว่ามันจะตกเหวมันไม่ง่วงละมันไม่สับสงกบหรือบางท่านก็ไปนั่งตามที่มีมีเสือเดินผ่านไป ผ, ผ่านมาเพราะถ้ารู้ว่ามีเสือมานี่มันจะไม่ง่วงแต่ตอนนี้ก็เกิดความกลัวขึ้นนะความกลัวก็ใช้ปัญญาแก้หรือใช้สมาธิแก้ไปบางท่านก็ใช้พุโทโธเวลาเกิดความกลัวก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปส่วนเอติออปิโสไป พออยู่กับการสวดจิตก็สงบก็หายกลัวได้สมาธิถ้าอยู่ที่ไม่กลัวมันก็ไม่มันก็ขี้เกียจสวดมันขี้เกียจพุทโธมันก็จะไม่ได้สมาธิพระที่ได้ทาต่างๆนี้มักจะได้ในที่น่ากลัวกันท่านถึงได้ไปอยู่ตามป่าตามเขากันถ้าเราอยากจะได้ทำเราก็ต้องยอมเสี่ยงภัยหน่อยคิดเสีย ว, ว่าไงก็ต้องตาย จะตายแบบไหนตายแบบตายแบบมีธรรมหรือตายแบบไม่มีธรรมตายแบบมีธรรมก็ตายแบบสบายตายแบบสุกโตตายแบบไม่มีธรรมก็อาจจะตายแบบเปรตตายแบบผีพระอาจารย์ขาอย่างเราจะมีสติมีวิธีอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเจ้าคะเห็นบางทีเขาแนะมาว่าถึงนั่งพนมมืออย่างี้ก็รู้ว่าเรากำลังพนมมือ แล้วก็สัมผัสถึงว่าความร้อนอุ่นที่เกิดขึ้นแล้วสัมผัสที่ขาแล้วก็รู้ว่าอยู่แตะกับพื้น อ, อันนี้เป็นก<ข>ารที่เรารู้อิริยาบถของเราใช่ไหมจ้ะใช่ใชและนี้จะเป็นการทําให้เกิดสติไ ด, ด้ดีหรือว่าอย่างไงจะคะควรจะคิดถึงผู้โทรหรือว่าจะดูจากอิริยาบถของเราก็ดูผล ว, ว่าใจเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าถ้ายังคิดอยู่ก็ยังไม่ได้ผลเราต้องลบล้างความคิดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจเราลอยไปลอยมาไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราต้องการให้ใจอยู่ในปัจจุบันเเราต้องอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือร่างกายถ้าเราอยู่กับร่างกายไม่ไปอยู่กับสามีไม่ไปอยู่กับลูกมันก็เป็นมันก็เป็นสติแต่พอไปคิดถึงลูกไปคิดถึงสามีมันก็ไม่มีสติแล้วนี่สติในระดับปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลา ถ้าจะคิดก็ต้องหยุดต้องนั่งเฉยๆแล้วก็คิดด้วยสติคิดแบบมีขอบมีเขตไม่ใช่คิดแบบเลือเ่อยเปื่อยคิดแบบเพอ้อเจอ้ออย่างนั้นก็ไม่มีสติแล้วระวางความคิดไม่ให้ความคิดจรที่ไร้สาระแทรกเข้ามา <c oughs> ามาให้ใจว่างว่าความว่างเวลาใจไม่มีความคิดมันสบายพอ ม, มันคิดแล้วมันวุ่น คิดถึงเรื่องนี่เรื่องเสียนมันก็วุ่นนะทั้งๆที่นี่เสียนมันก็อยู่มีอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมตอนที่ไม่คิดก็ไม่วุ่นใช่ไหมแต่พอไปคิดปั้มมันก็วุ่นขึ้นมาทันท<ม>ีงั้อย่าไปคิดมันมเวลาเจอปัญหาถ้าไม่คิดปัญหามันจะไม่เข้ามาในใจเรามันจะอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่ต้องคิดวางแผนอะไรในชีวิตเลยเหรอทีาา่ผก็าวางไปเลยถ้าวางทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ในที่สุดก็ตายไปใครคิดอย่างนี้อใช่ไห<ม>นะ มีสีนมีมากน้อยเท่าไหร่ตายไปมันก็จบไม่ใช่หรอแต่เราก็ต้องมีช่เงี้ยะเวลาอย่างจริงเป็นพลุชนเราก็ต้องวางแผนพอจิตวางแผนจบเราก็มาพุโธใหม่ใ ช, ใชอ่อวางแผนนี่รู้ว่าเราต้องทําอะไรก็พอแต่ไม่ใช่มานั่งวิตกทั้งวันทั้งคืนว่ามัเกิดความอยากอยากจะให้ปัญหานี้มันหมดไป<อ>แล้วมันไม่หมดก็เลยทําให้เราเครียดเมือ่อเราคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าปัญหามันต้องไปอยู่ยงนี้ต่อไปก็อยู่กับมันไป ยามรับกับสภาพเราเป็นผลสร้า ง, งมันขึ้นมาเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของมันไม่คิดทำร้ายตัวให้เกิดสิ่งได้ๆกับตัวอย่างนี้นใช่ไหก็เคยเคยจะคิดอะไรก็ได้ถ้ามันตรงกับความจริงคิดได้ใช่ว่าเราในที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วหนี้สินปัญหาต่างๆมันก็หมดไปเองแต่อย่าฆ่าตัวตายเท่านั้นเองเพราะการคิดฆ่าตัวตายเป็นการทาบา และไม่ใช่เป็นวิธีฆ่าแก้ปัญหาเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหามันอยู่ที่ใจถ้าจะแก้ถ้าจะฆ่าต้องฆ่าปัญหาตัวที่อยู่ในใจคือความอยากอยากให้ปัญหามันหมดเมื่อเราแก้ปัญหาไม่หมดเราก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วปัญหามันจะหมดมันไม่หมดหรอกปัญหามันอยู่ที่ความอยากให้ปัญหามันหมดขออนุญาตถามถ้าเกิดเราฆ่าตัวตายไปคนอื่นเจ้ะฆ่าตัวยังคงไปฆ่าฆ่าตัวตายไปเนี่ย อาภูโสรกรรมจะเกิดยังไงเดี๋ยวทุกครั้อ๋อมันก็จะติดไป น, นิสัยไปไงทุกครั้งเวลามีปัญหามันก็จะแก้ปัญหาแบบนี้เกิดเมื่อกี่้พบกี่ใช้ก็จะฆ่าตัวตายเวลาเกิดปัญหาแต่ใ น, นว่าฆ่าฆ่าตัวตายครั้งนึ่งครั้งนี้เราก็จะต้องไปฆ่าตัวตายอีกข้าร้อยครั้งเพราะมันจะแก้ปัญหาแบบนี้ไปทุกครั้งไอ้มไม่สมัยนี้คนพยายามหาวิธีฆ่าตัวตายกันนะพยายามว่าให้เขาออกกฎหมายมาเพื่อให้ฆ่าตัวตายได้ เพราะพวกนี้พอมีปัญหาไม่ยอมแก้ปัญหากันไม่ยอมเผชิญกับปัญหาแจะห น, นีอย่างเดียวห น, นี้เดี๋ยวคราวหน้าก็ไปเจอปัญหาเดิมแล้วก็ต้องแก้ปัญหาแบบเดิมทีวิตก็เลยไม่มีวันที่จะงองเงยขึ้นมาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องกล้าเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญา โดนงั้นเขาบอกฟังคำเพราะจายขาขอเนี่ยขาอีกนะเวลาเรามาทำบุญกุศลจะเป็นทำทานหรืออะไรแล้วควรตั้งจิตอธิษฐานหรือไม่เจ้าคะหรือจะทำใจนิ่งปล่อยวางเฉยเฉยหรือคนอธิษฐานเจ้าคะคือก่อนจะมาทำยอมว่าอธิษฐานแล้วรู้ปะเราไม่รู้สากตัว เพราะคำว่าที่ฐานก็คือความตั้งใจใช่ไหมก่อนจะมาทําบุญนี้ต้องตั้งใจมาก่อนนะใช่ไหมเจ้าค่ะทำลายแสดงว่าได้ที่ฐานแล้วอธิฐานต้องตอธิฐานที่เหตุไม่ใช่อธิฐานที่ผลมไม่ใช่ทําบุญแล้วขอให้ร่ําให้รวยเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนจิจรดาเลยไม่เลยเจ้าค่ะ <laughs> ไ, มไม่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังอันนั้นไม่ใช่เป็นการอธิฐานอันนั้นเป็นการขอทานออธิฐานก็คือให้อธิฐานที่เหตุ เราต้องการทําเหตุที่ดีเพื่อผลที่ดีจะตามมาต่อไปอธิษฐานที่เหตุเช่นวันนี้อธิษฐานว่าจะพูนขอให้เจอพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดต้ออธิษฐานอธิษฐานว่าจะมาเดินทางมาที่วัดีมาทําบุญทําทานถ้าเจอท่านก็ดีไม่เจอท่านก็ดีปล่อยวางเลยเพราะไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอไงแต่ที่เราทําได้แน่นอนก็คือเดินทางมาที่วัดให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลที่สิ่งข้างนอกเหตุ ที่เราทำทางนี้เพื่ออะไรเพื่อละตันหาความอยากได้เงินได้ทองใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขเราก็จะเป็นทาตเราก็จะต้องพึ่งเงินทองไปตลอดตอนนี้เราต้องการที่จะมาเลิกพึ่งเงินทองแต่งเงินทองที่เราจะพึ่งเราก็เอาไปให้คนอื่นเสียเพื่อเร า, าจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้ามีเงินทองเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเมษาโรงเรียนปิดหลายวันก็จะไปทัวร์กนะัน ลูกสาวทักนำเจ้าค่ะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านอยู่วัดได้นั่งสมาธิได้เออนี่ยเป้าหมายของการทำทานก็คือตัดสะพานในการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขตัดการพึ่งเงินทองให้มาพึ่งตัวเราเองให้เรามานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันเพราะมันเป็นที่พึ่งที่ดีกว่าเพราะเงินทองมันมีวันหมดได้ เวลาขาดเวลาเงินทองขาดมือทําังไงลำบากไหม เ, เวลาอยากจะไปเที่ยวนรืออยากจะซื้ออะไรแล้วไม่มีเงินทองที่จะซื้อทำยังไงนั่นแหละนี่คือเป้าหมายของการทําทานถ้าอยากอธิษฐานเวลาทําทานก็เจ้าบุคุณขอให้จะทําบ่อยๆทํานทั้งไม่มีเงินเหลือเลยนั <c oughs> ่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าอธิษฐานว่าขอไปนิพพานเลยจค่ะจะเวอ้อ ไ, ไปหรือเปล่ขอไปไม่ได้เหรอ ถ้าอยากจะไปก็ต้องทําทานให้หมดเงื้อหมดตัวถึงจะไปได้ <c oughs> อย่างพระพ <c oughs> ุทธเจ้าต้องสละหม ด, <c oughs> ต, หมดตั ว, <c oughs> ลตวแล้วถึงจะได้ไปบวชบวชแล้วจะได้ไปเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็ไปถึงนิพพานได้อ <c oughs> ย่าง้าอยากจะไปนิพพานต้องตั้งอธิษฐานว่าขอให้ทําทานขอให้รักษาศีลขอให้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถึงจะถูก <c oughs> ให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลมันเกิดจากเหตุ ถ้าไม่มีเหตุขอผลยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอยากจะอยากจะให้อิ่มก็ต้องกินข้าวต้องอธิษฐานว่าจะต้องกินข้าวทุกวันถ้าแม่อธิษฐานกินข้าวอธิษฐานขอให้มันอิ่มไม่มีวันอิ่มถ้าไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเรามีความตั้งใจจะกินข้าวทุกวันไม่ใช่ดันั้นนั่นหละก็มีอธิษฐานแล้ววันนี้ก็ได้อธิษฐานแล้วเนี่ย คือความตั้งใจคำว่าธิษฐามมันมีสองความหมายคือการขอกับความตั้งใจทางาภาษาพาสนี้เราแปลความหมายว่าเป็นความตั้งใจแต่ทางภาษาทางโลกเขาแปลว่าการขอขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แปล ว, ว่าอธิษฐา น, อ, า น, นอธิษฐานที่ถูกตามหลักธรรมต้องอธิษฐานด้วยการกระทำขอให้ได้ทาสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วผลที่เราต้องการมันก็จะปรากฏขึ้นมาเอง ขจายไหมขยายถามว่ามาราจะให้ทางโลกกับทางธรรมไปพร้อมๆกันได้ก็ได้ในระดับศีลห้าในระดับทาบุญทาทานกับรักษาศีลอยาถ้า้อยากจะได้สูงกว่า น, นั้นก็ต้องแยกทางกันเพราะว่ามันมันถึงทางแยกนะตอนต้นมันก็เป็นทางขนานกันถ้าอยากจะมีความสุขทางโลกอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดืน แต่อยากจะตายแล้วไปสวรรค์ก็ทาทานรักษาศีลห้าไปก็จะได้ทั้งสองอย่างตายไปก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในในในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะไปสวรรค์ท่านพรหมอยากจะไปนิพพานไปแล้วไม่กลับอันนี้ต้องแยกแต้องไปเป็นนักบวชนักบวชกับกับ นักบุญนี้อยู่คนละฝ้ากันละนักบุญก็คารวะาญาติโยมผู้คลองเรือนรักษาศีลห้าทำบุญทาทานนักบวชก็ไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวทำใจให้สงบไม่แสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แสวงหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นสองทางตอนเริ่มต้นนี้ก็ไปไปคู่กันไปก่อน ทำบุญทำทานรักษาศีลไปก่อนเพราะต้องทำบุญทำทานรักษาศีลก่อนถึงจะไปถึงศีลแปดต้องออกบวชได้ก็ก็ลองทำไปได้เช่นวันพระเราก็หยุดทำธุรกิจทางโลกหนึ่งวันแล้วเราก็มาทำธุรกิจทางธรรมหนึ่งวันเพื่อเป็นการเตรียม เตรียมออกเตรียมแยกทางต่อไปถ้าเราจะไปแบบไม่มีการซ้อมเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะไม่มีกําลังไปถึงเช่นเวลาเราแก่แล้วเราไม่ได้ทำงานทาการแล้วอยากจะไปทางธรรมก็อาจจะไปไม่ไหวเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ตอนนี้เช่นวันพระเราก็ไปทางธรรมหงวันวันธรรมดาก็กลับมาทางโลกแล้วต่อไปพองานทางโลกหมดแล้วเราก็ เราเคยทำงานทางทำมาแล้วเราก็จะได้ไปทำได้เต็มที่ทำได้ตลอดเวลาได้แต่ถ้าเราไม่เคยทำเลยเราก็จะรู้สึกมันยากก็จะไม่อยากทำานันวันพักควรจะถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ถ้าที่มันสงบไม่มีอะไรมารบกวนใจมามารบกวนการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมของเราก็อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ตรงนั้นก็ได้ ถ้าเราอยากจะไปทางธรรมเราก็ต้องเริ่มฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้พอเวล่เรามีเวลาว่างจากทางโลกเราจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่เหมือนหัดไหว้น้ำไว้ก่อนพอถึงเวลาจะต้องไหวยเราก็จะได้ไหว้เป็นไม่ใช่มาหัดไหว้นอนที่เราต้องไหว้มันก็ไหว้ไม่ได้มันมาหัดไหว้ตอนที่เรือจมนี้ไหว้ไม่ได้แล้วต้องหัดไหว้ตอนก่อนที่เรือจะจม พอเดือจมเราก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนเราก็ไาวของเราต่อไปได้ต่อไปร่างกายเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เราก็เลิกใช้ร่างกายแล้วเราก็มาใช้จิตใจหาความสุขแทนได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติธรรมได้ มันหนึ่จะก้าวหน้าเอใช่มันก้าวไปหาอะไรก้าวไปหาความทุกข์แล้วก้าวไปหาความสุขอ่ะเราไม่ดูตรงนั้นยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากนะไม่ใช่มันจะสุขมากเพราะมันทักวันจะต้องจากกันมีเท่าไหร่ก็ต้องหมดมีมีเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดในที่สุดมีน้อยก็ทุกน้อยคนขอทานนี่ตายสบายกว่าคนนั่มรวยนอกจากคนนั่มรวยปล่อยได้ก็ตายแบบขอทานได้ แต่ถ้าตายแบบขัวงตายแบบเสียดายก็ตายแบบทุกข์นะยิ่งมีมากยิ่งเสียด ย, ยิ่งทุกข์มากไม่รู้จะให้ใครดีหามาแทบเป็นแทบตายอย่างเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งบอกว่าทามากินเหนื่อยแสนยากแล้วต้องมาให้คนอื่นเขานี่ไม่อยากจะให้เลยใช่ไหมเราหามาก็เพื่อจะใช้จะเก็บเก็บของเราใช่ไหแต่เราจะเก็บไปได้นานาเท่าไหร่ นั่นเศจะมากเท่าไหร่ล่ะที่เงาพอกินวันเท่าไหร่ก็คํานวณดูสยกินให้มันน้อยๆสิเอามันเอามันถูกๆไปสมัยที่เราไม่ได้ก่อนที่เราจะบวชล้วก็อยู่แบบคารวะอยู่แบบต้งบวชปีนึงเราใช้วันละห้าบาทเนี่ยข้าวข้าวมื้อละห้าบาทเราก็อยู่ได้แล้วก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้นชามละสองบาทข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงชามละสามบาทกินแค่นี้ก็อิ่มแล้ว น้ำ ก, ก็กลิ่นน้ำเปล่าไปถ้าเราปฏิบัติทำได้ต่อไปแล้วก็ไปอยู่วัดได้หรือไมไ่ไปอยู่วัดก็มีคนมาเลี้ยงเราเองอ่ะถ้าเขารู้ว่าเรามีศีลมีธรรมเขาก็อยากจะเข้ามาศึกษามาหาความรู้จากเราอยู่ดีไม่ต้องกลัวหรอกถ้าปฏิบัติทำไปแล้วไม่มีวันอดตายพระพุทธเจ้าไม่ได้อดตายใช่ไหมขอให้เราปฏิบัติแล้ว ม, มีมีผลตามมาท่านนั้นแหะ แล้วเรื่องต่างๆมันจะมาเองมันจะ ม, มามากกว่าจะกระทั่งใช้ไม่ไหวดูแลไม่ไหวมันจะกลายเป็นภาร ะ, ะไปจะมากกว่าแล้วไม่ต้องกลัวเนะี่ยเรื่องนี้ถ้าจะไปทางนี้ขอให้กลัวว่าไม่มีธรรมนั้นนั้นจะน่ากลัวกว่าเพราะถ้าไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรตา ม, มาแต่ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วทุกอย่างมันมาเอง สมาทานศีลเนี่ยเราควรสมาทานทุกวันหรือว่าคือศีลนี้การสมาทานนี้ก็เป็นการตั้งใจตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลถ้าเราไม่ตั้งใจบางทีเราก็เลยจะไม่มีอะไรมาบังคับใจเราดังน้นบงทีเราต้องตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าเราจะสมาทานกี่วันก็ได้ไม่ต้องสมาทานทุกวันก็ได้เช่นแต่ว่าเราอยากสมาเดือนนี้ทั้งเดือนจะรักษาศีลห้าก็ครั้งเดียวก็พอ ถขาดก็ขาดก็รู้ว่าขาดแล้วเขพยายามอย่าไปทำใหม่ถ้ากถ้าถ้าอยากจะให้มันเข็ดหลากก็ลงโทษตัวเองเช่นถ้าเคยกินอะไรใคยดื่มอะไรก็งดกินไอ้นั่นไปสักสองสามวันเป็นการลงโทษกันไปเวลาทําผิดศีลก็อใดก็ก็ลงโทษตัวเองให้มันเข็ดหลากถ้าไม่ลงโทษมันก็จะไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวมันก็ทําซ้ำซ้ำซ้ำอีก ต้องมีมาตรการลงโทษตัวเองทำเลิกทำในสิ่งที่เราอยากทำสักวันสองวั น, วนไปการลงโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้าทำเพราะมันทำผิดแล้วมันจะต้องมีผลมีโทษตามมา อย่างลมหายใจเนี่ยเราตามดูเรารู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเลยมีวิธีหรือไม่ครับก็มีการถการสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดปีที่สองอ่าสวดไปอสวดมนต์ไปเรือบริการพุทโธไปหรือท่องอาการสามสิบสองของร่างกายไปก็ได้ลองไปอ่านทองพุทโธหรือว่าสวดมนต์ให้รู้กับไปที่คำสวดให้อยู่กับคำสวำดผู้กับพุทธโธเอ่อ ให้ใจมันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็หายฟุ้งซ่านเพราะใจมันจะคิดสองเรื่องพร้อมๆกันไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันอยู่กับพูดโษมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ั้นต้องหาอะไรให้ใจมันมี ม, มีมีงานทำไงถ้ามันดูลมไม่ได้ก็ใช้การบริกรรมไปใช้การสวดไปก่อนในท่านั่งนี่แหละในท่าลับตาเนี่ยไม่ต้องลืงตา สวดมนต์ไปนั่งหลับตาในท่าสมาธิไปเลยเวลานั่งสมาธิแล้วจะดูลมมันไม่ยอมอยู่ก็ลองสวดอิตีปิโสไปถ้าไม่ชอบอิตีปิโสเราชอบอาการสามสิบสองของร่างกายก็ใช้ท่องอาการสามสิบสองไปก็ได้หรือท่องเกิดแก่เจ็บตายไปก็ได้เราชอบบททำบทใดบทหนึ่งก็ท่องไปก็ได้ แต่รู้จ้าสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเป็นการท่องเหมือนกันถ้าเราท่องอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ะพอไม่ฟุ้แล้วก็หยุดส่วนแล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อก็ได้อันนี้เราใช้ปฏิบัติ พร้อการทํางานไปเมื่อสี่กระจองวันได้หรือว่าว่างเว้นจากงานละแล้วก็มานั่งถ้าเราทําได้ควบควบการทํางานได้ยิ่งดีเวลาทํางานก็คิดว่างานนี้ก็แค่แค่ตายนะตายก็จบองนี้ ค, คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ไปเครียดจับงานอย่า<ม>งนี้มันจะลืมไปว่าทําไปก็ทําเพื่อตายเท่้วไม่ได้ทําเพื่ออะไรแล้วมันก็จะทําแบบ ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ไปเครียดกับมันมากจนเกินไปทำเพื่ออยู่เท่านั้นเองอยู่พอตายก็จบทำเพื่อให้มีปัจจัยสี่นันแะความจริงแต่เรามีกิเลสมากก็เลยนอกจากปัจจัยสี่แล้วยังมีตัณหาความอยากต่างๆอย า, อยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาอีกถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ไม่ค่อยเครียดกับการทํางานเท่าไหร่ทำไมเด็กๆเราเห็นเราเครียดกับการไปโรงเรียน ดีค่าขนมเวลาไม่กีตังค์แล้วก็อยู่ได้แล้วแต่พอเราโตขึ้นมาความอยากมันก็โตมาตามกับความเจริญโตบโตของเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่เพิ่มขึ้นมันก็เลยต้องดิ้นรนหาเงินมากขึ้นมันก็เลยเครียดมากขึ้นเพรนั้นหัดอยู่แบบมากน้อยสันโดษแล้วจะสบายมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นแก่เของสาหรับชีวิตก็คือปัจจัยสี่นั่นเอง ถ้ามีปัจจัยสี่นี้พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่า น, นี้แล้วสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นปีนี้ได้กำไรเท่านี้ก็โอเคปีปีหน้าขาดทุนก็โอเคมีขึ้นมีลงแล้วมันจะไม่ทุกข์อะไรเลยมันจะไม่เครียดเอาแล้วเนะี่ยคืว่าพอสมควรแก่เวล า, า, าอา่ ขอให้ท่านนะจองนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ